อานันทสูตรเมื่ออุปสมบทใหม่เพราะความเป็นกวีมีอารมณ์อ่อนไหวประวังขีสะจึงถูกราคะกิเลสรบกวนบ่อยครั้งวันหนึ่งขณะตามพระอา น, นุ์ไปบินทบาทนึกถึงอารมณ์อันสุนทรีขึ้นมาถูกราคะครอบงมใจจึงกล่าวบทกวีขอคำแนะนำจากพระอานนุ์ว่าผมถูกราคะแผดเผาจิตใจของผมเร่าร้อน โปรดบอกวิธีด้วยเถิดพระอนนุ์บอกวิธีแก้คือไม่ให้หมายกำหนดว่าสวยงามให้พิจารณาตามหลักไตรลักษณ์เจริญอสุภะและกายาคตาสติเสมอและราคะก็สงบสุภาษิตาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระซึ่งมีพระวังคีสะอยู่ด้วยว่า วาจาที่เป็นสุภาษิตจะต้องมีองค์ประกอบสี่อย่างเรียงตามลำดับความสำคัญคือพูดดีไม่พูดชั่วพูดเป็นธรรมพูดคำเป็นที่รักพูดเป็นคำสัต์จริงทรงสรุปว่าการพูดดีไม่พูดชั่วนั้นปราดทั้งหลายสรรเสริญว่าสูงสุดพระวังขีสเห็นด้วยกับพุทธดำรัฐ จึงประพันธ์คถาด้วยปฏิภานเป็นการสรุปความตามที่พระองค์ตรัสท้ายบทกวีได้บอกว่าที่ว่าพูดดีไม่พูดชั่วนั้นหมายถึงพระดํารัสของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระองค์พูดสอนให้คนบรรลุนิพพานได้คถาสรุปคื อ, อยังพุทโธภาสตีวาจังพระพุทธเจ้าตรัสวาจาใดา เขมังนิพพานาปติยาอันกเกษมเพื่อลุถึงนิพพานทุกขสะนั ก, กิริยายะเพื่อทำทุกขให้สิน้นสาเววาจานมุตตมาวาจานั้นประเสริฐสุดวณะสั่งยุติประมวลเรื่องเกี่ยวกับป่าเป็นคำแนะนำแก่พระที่อยู่ป่าไม่ตั้งใจบำเพ็ญกิจของสมณะ เช่นเห็นแก น, นอนบ้างปล่อยให้อกุศลละวิตกครอบงามจิตบ้างผู้แนะนำส่วนมากเป็นเทวดาที่สิงอยู่ในปา่าถ้อยคำเตือนของเทวดาน่าสนใจมากบางครั้งก็ว่าเจ็บเจ็บแสบแบบผู้ดียิ่งคิดยิ่งแสบมีทั้งหมด14สูตรขอนำมาเป็นตัวอย่างบางสูตรหนึ่งวิเวกสูตร ระรูปหนึ่งอยู่ป่ารัฐโกสนปล่อยให้อกุศลลวิตกครอบงำใจเทวดาจึงมาเตือนว่าท่านฝ่ายวิเวกเข้ามาอยู่ในป่าแต่ใจไปอยู่เสียภายนอกทำไมไม่ละความพอใจในคนซะแล้วท่านจะปราศจากกำนัดอยู่สบายนกเปื้อนฝุ่นสลัดทุลีออกจากปีกพระก็ควรมีสติเพียรสลัดกิเลส จ, จากใจเช่นเดียวกัน 2. อ, อุปัฏฐานสูตรพระอยู่ป่ารูปหนึ่งชอบนอนหลับกลางวันเทวดาจึงเข้าไปเตือนว่าลุกขึ้นสิมัวนอนอยู่ทำไมท่านยังมีกิเลสรุมใจดังถูกลูกสอนเสียบอกมัวหลับใยเมื่อบวช ด, ด้วยศรัทธาก็ทำศรัทธาให้เจริญขึ้นอย่าเห็นแก่นอนเลย 3. กสปะโคตสูตรสูตรนี้เกี่ยวกับการสอนคนมีพระรูปหนึ่งไปสอนนายพรานไม่ให้ล่าสัตว์เขาไม่สามารถทำตามได้เทวดาจึงไปเตือนสติแก่เธอพรานป่าผู้โง่เขาสามปัญญารู้เท่าไม่ถึงการภิกษุให้โอวาทผิดกาละเราเห็นว่าไม่ใช่พระฉลาดเขาฟัง แต่ไม่รู้เรื่องเขามองดูแต่ไม่เห็นท่านสอนธรรมะคนโง่เขลาไม่เข้าใจต่อให้ท่านชูประทีบทั้งสิบดวงเขาก็มองไม่เห็นอะไรเพราะเขาไม่มีตาสปรปทุมะปุพผสูตรพระสูตรนี้พูดถึงพระดมดอกบวัวในสะ เทวดาเห็นว่าทำไม่ถูกต้องจึงกล่าวหาว่าเธอเป็นขโมยเมื่อพระย้อนถามว่าเราไม่ได้ขโมยเอาอะไรติดมือไปจะหาว่าขโมยได้อย่างไรเทวดาตอบว่าท่านขโมยกลิ่นอย่างไรเล่าเทวดาพูดว่าคนที่มีบาปหนาแปดเปื้อนกิเลสเกินไปเราไม่พูดถึงแต่จะขอพูดกับท่านท่านเป็นคนบริสุทธ ไปหาความสะอาดเป็นนิดบาปเท่าปลายคนทรายก็ดูมหึมาดั่งก้อนเมฆยักษ์ขะสั่งยุต์ประมวลเรื่องยักษ์ยักษ์ที่ปรากฏในสั่งยุตนี้ดูเหมือนจะเป็นยักษ์ดีที่มีธรรมะแทบทั้งนั้นมีบ้างที่ดุร้ายทำบาปปานาติบาทเช่นอาละวกกะยักษ์แต่ส่วนใหญ่ จะคอยสนับสนุนให้คนทำดีหรือห้ามไม่ให้คนทำชั่วยักษ์ขสั่งยุตมีสิบสองสูตรสั้นๆขอนำมาบางสูตรหนึ่งอินทกะสูตรสูตรนี้อินทกะยักษ์ถามปัญหาลึกซึ้งเกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตในคันพระบุทธเจ้าทรงวิสัชนาให้ฟังน่าประหลาดใจว่าตรงกับความจริง ที่นักปราชัตปัจจุบันค้นพบไม่ผิดเพี้ยนถามว่ารูปหาใช่ชีวะไม่สัตว์นี้ได้ร่างกายมาแต่ไหนกระดูกและก้อนเนื้อมาจากไหนสัตว์อยู่ในคันได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเบื้องแรกเกิดมีกาลละก่อนจากนั้นเป็นอภุท h จากนั้นเป็นเปสิจากนั้นเป็นคณนะ จากนั้นเป็นปุ่มห้าปุ่มจากนั้นเป็นผมขนเล็บมารดากินดื่มอะไรสัตว์ในคันอย่างชีพด้วยสิ่งนั้น 2. ส, สานุสูตรยักษ์ตนหนึ่งรู้ว่าสามเณรสานุคิดสึกไปหาโยมมารดาจะขอลาศึกยังไม่ทันได้พูดกับโยม ยักษ์ก็เข้าสิงร่างสมมเนนมารดาพูดขึ้นว่าเราได้ยินมาว่าผู้ที่รักษาศีลอุโบสถประพฤติพรหมจรรยักษ์หรือผีไม่ต่อแย่ด้วยเราได้ยินมาผิดแล้วบัดนี้ยักษ์กาลังทำร้ายบุตรเรายักษ์ตอบว่าท่านจงบอกสานุผู้ฟื้นขึ้นมาว่าอย่าคิดทำชั่วทั้งที่ลับและที่แจ้ง หาไม่เราจะไม่ละเว้นเมื่อสามเณรสานุฟื้นขึ้นมาเห็นมารดาร้องไห้เพราะทราบจากยักษ์ว่าตนกำลังคิดสึกจึงถามว่าคนทั้งหลายมีแต่คนร้องไห้หาคนตายหรือคนจากไปไกลโยมเห็นชั้นอยู่ร้องไห้ทำไมมารดากล่าวเป็นในให้ทราบว่าคนที่ละกามแล้วยังจะกลับมาหากามอีก โยมร้องไห้หาคนนั้นเพราะถึงเขาจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วลูกเอ๋ยเจ้าถูกเขายกจากเท่ารึงคือหลุมท่านไฟร้อนแล้วยังอยากตกลงไปอีกหรือถูกเขายกจากเหวแล้วยังอยากตกลงไปอีกหรือเจ้ากลนของหนีไฟแล้วยังจะเผามันทิ้งเองอีกหรือ สามเณรได้ฟังดังนั้นเลยเลิกคิดจะลาสิกขาสักกะสังยุตประมวลเรื่องเกี่ยวกับเท้าสักกะหรือพระอินส่วนมากเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านำมาเล่าให้สาวกฟังอีกทีว่าเท้าสักกะทำอะไรกล่าวอะไรอย่างไรมีทั้งหมด25สห้าสูตรขอนำมาเพียงบางสูตร หนึ่งสุภาษิตชยสูตรพระพุทธเจ้าส่งเล่าให้พระฟังว่าครั้งหนึ่งท้าเวปัจิติอสูรกับพระอินทท้าแข่งกล่าวคําสุภาษิตกันว่าคําของใครจะไพเราะกว่ามีเหตุผลกว่ากันท้าเวปจิติกล่าวว่าคนพาณ น, นั้นถ้าไม่รีบรามจิตแต่ตน้นยิ่งจะกําเริบใหญ่เพราะฉะนั้น นักบราชจึงควรกำราบคนพาลด้วยการลงทันพระอินกล่าวว่าผู้ที่คนอื่นโกรธแล้วมีสติยับยั้งไม่โกรธตอบเราเห็นว่านี่แหละเป็นวิธีกำราบคนพาลท้าวเวปัจิติกล่าวอีกว่าเราเห็นโทษของการอดกลั้นมาแล้วเมื่อใดคนพาลเห็นว่าเรานิ่งเฉยซะก็จะยิ่งขค่มขู่ เหมือนโคที่แพ้วิ่งหนีไปตัวที่ชนะยิ่งไล่ขีดพระอินทร์กล่าวแก้ว่าผู้ใดแข็งแรงอดกลั้นคําล่วงเกินของผู้อ่อนแอบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าความอดกลั้นของผู้นั้นเป็นยอดเพราะคนอ่อนแอจําต้องอดทนเป็นประจำอยู่แล้วความอดทนของคนอ่อนแอไม่นับว่าเป็นพลัง ผู้ที่โกรธคนอื่นเลวอยู่แล้วแต่ผู้ที่โกรธตอบเลวยิ่งกว่าอีกผู้ที่ไม่โกรธตอบผู้ที่โกรธตนย่อมชนะสงครามที่ชนะได้แสนยากนับว่าทําประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นที่ประชุมอันประกอบด้วยพวกอสูรและเทวดาตัดสินว่าคํากล่าวของอสูรเป็นการชวนทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เป็นสุภาษิตส่วนคำกล่าวของพระอินไม่ชวนทะเลาะเบาแววงเป็นวาจาสุภาษิตจึงให้พระอินเป็นผู้ชนะ 2. ทุติยสักกนมสัส ก, การสูตรและตัติยสักกนมสัส ก, การสูตรสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้สาวกฟังว่าเท้ามาตุลี สาวรถีของพระอินทเห็นพระอินทก่อนเสด็จไปไหนจะประคองอัญเชลีไหว้จึงทูลถามว่าสรงนมาส ก, การใครท้าวสักกะบอกว่าไหว้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์และเสกขบุคคลดูก่อนมาตุลีเรานอบน้อมพระผู้มีพระภาคผู้มีพระนามอันประเสริฐเรานอบน้อมพระอรหันตขีนาศพผู้หมดราคะ โทสะและอวิชชาเรานอบน้อมผู้ที่ยังไม่หมดราคะโทสะโมหะและอวิชชาแต่ใฝ่ใจศึกษาอยู่อย่างไม่ประมาทพระสูตรที่สองตติยะสักกนมสัส ก, การสูตรมาตุลีถามเช่นเดียวกันทาสักกะตรัสตอบว่าวหายพระสงฆ์พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นปราช กล่าวคำสุภาษิตเป็นผู้สงบประพฤติสม่ำเสมอดูก่อนมาตุลีพวกเทวดายังโกรธพวกอสูนสัตว์เป็นอันมากโกรธกันและกันแต่ท่านเหล่านั้นไม่โกรธใครงดเว้นการเบียดเบียนเมื่อคนทั้งหลายเขายึดมั่นถือมั่นท่านเหล่านั้นไม่ถือมั่นเราจึงสักการะพระสงฆ์เหล่านั้น